บันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องนิวรณ์ซึ่งเป็นสนิมใจหรือเป็นสิ่งที่กั้นจิตควนไว้ไม่เกิดเป็นความสงบไม่เกิดความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆขึ้นในที่นี้ก็เน้นไปที่ความรู้ธรรมะ ซึ่งจะมีผลในการลดละตลอดถึงทำลายกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจได้มาถึงข้อของตีนมิทะซึ่งเป็นนิวรณข้อที่สซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายจะพบว่านิวรณ์แต่และข้อนั้นเป็นนามธรรมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเราดูรูปร่างหน้าตาเขาไม่ได้ โดยประสาททั้ง5คือตาหูจมูกเดินกายแต่เป็นสิ่งที่สามารถรู้ได้ด้วยใจดังนั้นในทางประวัตศาสนาจึงได้สอนในรูปอุ ป, ปมาเทียบเคียงหมายถึงดึงสิ่งที่เป็นรู ป, ปรวัตถุให้มาดูประการของนิวรณ์แต่และข้อที่เกิดขึ้นนั้นถ้าจะเทียบรูปร่างก็จะกามัญันก็จะเป็นเหมือน การตกเป็นหนี้เป็นสินของบุคคลอื่นจะต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่อนำเงินทองมาใช้หนี้เขาตลอดไปความรู้สึกในแนวกรรมฉันก็มีลักษณะอย่างนั้น <c oughs> เมื่อเกิดกําหนดวัตถุสิ่งของอันใดว่าเป็นที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจขึ้นภายในจิตจิตใจของบุคคลก็จะดิน้น คอยคว้าสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนตราบใดที่ยังเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้อยู่ร่ำไปเช่นใดตราบใดที่ใจยังมีความกระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลายก็จะต้องมีความรีดรนขวนขวายเพื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาครอบครองเช่นเดียวกันเั่นนั้นทุกขั้นตอนของการใช้หนี้และทุกขั้นตอนของการสแสวงหา ประกอบด้วยความทุกข์นานาประการเกิดขึ้นมีอุปสรรคอันตรายต่างๆเป็นอนันมากบางครั้งกว่า จ, จะถึงแก่ชีวิตก็ได้และตัวสภาพจิตในขณะนั้นๆก็ส่งสอนให้ดูคล้ายๆกับน้ำที่เจือด้วยสีต่างๆท้านี้เป็นเพราะอะไรเพราะการปฏิบัติธรรมะนั้นเมื่อโดยสรุปแล้วต้องการจะพัฒนาปัญญาหรือสติปัญญาของบุคคลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจนซึงสมบูรณ์เต็ ม, มที่ แต่น้ำที่เจอด้วยสีนั้นจะทําให้บุคคลสองดูเงาหน้าของตัวเองหรือสิ่งอื่นไม่ชัดเจนจันใดก็ดีจิตใจที่ประกอบด้วยความรู้สึกที่เป็นการเฉนก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจะมองเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดเจนตามที่มันเป็นจริงแต่จะเป็นการหลงติดยึดติดอยู่ในการปรุงแต่งประดับประดาล่อลวงด้วยสิ่งต่างๆ ซึ่งควจริงก็เป็นอาการย้อมสีของสิ่งเหล่านั้นความจริงสิ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เราประจักษ์ด้วยประสาทตาหูเป็นตน้นเียกแต่มีการปรุงแต่งมีการประดับประดามีการเสริมสร้างขึ้นในลักษณะต่างๆปัญญาเราน้อยประลองมองเห็นไม่ชัดคล้ายๆกับมองเงาหน้าในน้ําซึ่งเต็มด้วยสี ทำไมจิตใจของบุคคลเกิดกำหนัดบ้างเกิดเคืองบ้างลุ่มหลงบ้างมอมหมอบบ้างในอารมณ์ดอกนั้นปนัญหาที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นในส่วนของพยาบาทก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องรู้ด้วยจิตแต่บางอย่างก็รู้ยากดังกล่าว ก็สงสอนให้ดูว่ามันเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเสียดแทงเราไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามพิดาแก่แการเสียดแทงนั้นจะมีความร้าร้อนรุนแรงสร้างความทุกข์เวทนาต่างๆให้บังเกิดขึ้นเป็นอันมากแม่ญาติพี่น้องสามีปัญญาพื่นฝูงพิดาบัรดาลเป็นที่รักจะอยู่หอมล้อมอยู่ก็ตามแต่เอาควจริงแล้วท่านเหล่านั้นก็แบ่งเบาอะไรให้ไม่ได้ จะปวดมากหรือปวดน้อยเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องปวดด้วยตัวเองก็ทํานองเดียวกับกรรมสักาตาเด่นงคือการที่สัตว์ต่งางๆเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนการถูกเผาลนด้วยอกุศลกรรมหรือการได้รับความสุขด้วยกุศลกรรมเป็นผลที่บุคคลผู้กระทํากรรมนั้นจะต้องได้รับด้วยตัวเองเพราะเป็นของของเขาเองคนอื่นไม่สามารถจะช่แบ่งเป่าโด ย, ยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือส่วนของ ความไม่ดีได้แต่ส่วนความดีนั้นก็อาจจะแบ่งเบาในรูปอื่นจะเรียกว่ามุติตาหรืออนโมทนาคือรู้สึกชื่น ช, ชนชมยินดีในความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จความสุขที่บุคคลเหล่านั้นได้รับและเราเองก็มีความปีติประโมทเกิดขึ้นได้แต่ก็หมายความว่าไม่ได้รับโดยตรงเพียงแต่อาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นสื่อเพื่อเป็นแรงผลักดันกระตุ้นให้เกิดมุติตาหรือเกิดอนโมทนาขึ้นภายในจิตเท่านั้น เมื่อกราวโดยสภาพจิตสงบประมาหมือกับน้ําที่กำลังร้อนจัดเดือดจัดเราต้องการจะส่องดูเงาหน้าของเราที่น้ําซึ่งเดือดจัดก็จะไม่เห็นชัดหรือเห็นก็จะไม่เป็นไปตามความเป็นจริงที่นาอุปมาเทียบโดยน้ําก็มองในแง่ของปัญญาดังกล่าวเห็นสังเกตว่าจิตใจของเราถ้าหากว่าถูกกรมฉันก็ดีพยาบาทก็ดีหุ้มผอไว เกิดขึ้นครอบงําจิตในขณะนั้นเหตุผลสติปัญญาต่างๆจะหย่อนกำลับบงลงไปจนถึงบางจุดนี่จะใช่อะไรไม่ได้เลยดั้มีลักษณะที่เราเรียกว่าวูบแข่งอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความรักบ้างด้วยความชังบ้างที่บุคคลได้กระทำลงไปเป็นความเข้มข้นของกิเลสเหล่านั้นซึ่งเกิดขึ้นครอบงําจิตในขณะนั้น เมื่อทําไปแล้วประมาณปริมาณของกิเลสแก่ลดลงสติปัญญาสัมมัชนญาเพิ่มขึ้นความสนึกเสียใจยก็เกิดขึ้นในขณะนั้นๆแต่ก็เป็นเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่ไปหวนนึกระลึกต่อไปก็จะมีแต่ความทุกข์ซ้ำเติมตัวเองให้มากยิ่งขึ้นรพระพุทธเจ้าจึงทรงอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมเข้ามาเป็นสื่อในการศึกษาพินิจพิจารณาของบุคคลผู้ต้องการที่จะสงบนิวรณ์ทั้ง5ประการเหล่านั้นให้ได้ อย่น้อยก็ในระดับที่ไม่ว้าวุ่นจนเกินไปกิเลสประเภทแรกคือการมฉันนั้นที่จริงเป็นกิเลสประเภทโลภะเวลาจํา แ, จแนกเต็มที่ก็มีเป็นอันมากแต่ว่าโดยลักษณะอาการที่เกิดขึ้นภายในจิตท่านสรุปรวมเรียกว่าเป็นกามฉันทะคือจิตที่สายไปไ ข, ขว่คว้าด้วยแรงปรารถนาที่เกิดขึ้นอาจจะอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลพระ ทั้งที่ผ่านมาแล้วทั้งที่กํบบาลังเป็นอยู่และแม้แต่การปล่อยควาในอนาคตปัจจบัตินั้นก็คือกิเลสประเภทโทสะที่จริงลักษณะอาการความรุนแรงความเข้มข้นก็มีอยู่แตกต่างกันแต่เมื่อกล่าวโดยสกุลโดยเชื้อสายคล้ายๆกับเกลือที่มันเค็มแม้แต่เม็ดเล็กนิดเดียวก็เป็นเกลือเม็ใหญ่โตยังไงก็เป็นเกลือ น้ำทะเลมันก็มีธาตเกลือจบนี่แสดงเห็นว่าโดยเนื้อหาแล้วจะมากหรือจะน้อยมันก็กลุ่มเดียวนั่นเองกิเลสก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเวลาพูดได้มากมันก็มากพูดน้อยมันก็น้อยปฏิจริงแล้วมันก็มาจากเชื้อสายเดียวกันกิเลสประเภทโมหะนั้น เป็นกิเลสประเภทที่เรียกว่าไปเข้าแทรกอยู่ทุกเรื่องของอาการทางจิตและแม่แต่การกระทำของบุคคลลักษณะของถีนมิธะนั้นเป็นกิเลสที่ปนปนกันแล้วก็ส่วนหนึ่งจริ ง, รงก็เป็นธรรมชาติหมายความว่าติดกับชีวิตของบุคคลมาทุกๆชีวิตอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อก่อนจริงๆนั้นสัตว์โลกก็มีเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่เพียง4เสียงสิเรื่องเท่านั้น ก็คือเกิดแก่ตายคือคือคือหนาวคือร้อนหิวกระหายปวดรุจจระรปวดปัสสาวะแล้วก็ง่วงนอนแ้ะเกิดแก่ตายก็แสดงว่าง่วงนอนนั้นเป็นสิ่งที่ติดมากับชีวิตเป็นความต้องการโดยธรรมชาติเพราะงั้นในเงีนี้เขาก็เป็นแค่ทุกขสัตว์ซึ่งก็หมายความว่าเป็นสภาวะของชีวิตที่เกิดมาแล้วจะต้องมีการอาการจุดหนึ่งคือง่วงนอน ที่เป็นความสากลหรือเป็นความต้องการสากลญตามธรรมชาติของสัตว์โลกที่ท่านใช้คำว่าการกินนอนกลัวือนั่นคือลักษณะร่วมของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายการนอนถ้าเป็นไปโดยปกติธรรมดามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติไปไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางน้ําอะไรในการปฏิบัติควาเป็นเปลี่ยนความดีที่จริงก็คือกูลร์ตการปฏิบัติธรรมาโดยซ้ำไป หากว่านอนไม่มากหรือไหวง่วงในเวลาที่กำลังปฏิบัติภารกิจการงานถูกเพราะใดเพราะว่าเรื่องของการนอนเนี่ยหรือว่าเรื่องทั้งสิเรื่องที่กล่าวมาแล้วเนี่ยท่านสาธุรณชนลองสังเกตว่าพระรีเจ้าก็มีปุถุชนก็มีพระรีเจ้าเองก็ประสบด้วยหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุ่จาราปวดปัสสาวะง่วงนอนแล้วก็เกิดแก่แกเจ็บตาย แต่ว่าจิตใจของท่านไม่ยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งเดี่านั้นเท่านั้ น, น, นโดยสภาพของร่างกายเมื่อท่านเกิดมาแล้วท่านก็ต้องแก่ท่านก็เจ็บท่านก็ต้องต้องนิพพานแต่เราเรียกว่าตายนิพพานตายนั่นเองท่านเรียกว่านิพพานพแสดงว่าสภาวะเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นสภาวะที่สากลตัวอาการจริงๆคือตั ว, ต, วตัวที่ง่วงนอนจริงๆนั้นไม่ใช่ตัวบาปแต่ตัวเหตุให้เกิดความง่วงนอน บางอย่างก็เป็นบาปบางอย่างก็เป็นสภาวะตามธรรมชาติดังกล่าการง่วงนอนจึงเกิดขึ้นหลายสาเหตุด้วยกันเหตุตามธรรมชาตินั้นก็คือสาเหตุหลักแต่ว่าอาการง่วงนอนของคนเราจะพบว่าคนบางคนนั้นพร้อมที่จะง่วงก็พร้อมที่จะหลับในสถานการณ์ทุกๆสถานการณ์บางครั้งมีเสียงกึกครึกโครมอยู่ท่านเหล่านี้ก็สามารถหลับได้ แล้วก็หลับไปทีหนึ่งก็นานๆไอ้ช่วงที่หลับนานๆนั่นเองมันเป็นการสูญเสียเวลาของชีวิตยอย่างที่พระพุทธเจ้าก็ทรงแบ่งเวลาในการปฏิบัติภารกิจของพระองค์ใน4ชั่วโมงแรกก็เรียกว่ายามแร ก, กทรงสั่งสอนธรรมะทรงตอบปัญหาต่างๆแก่เทวดาต่างๆพยายามที่สองคือ4ชั่วโมงที่สอง ก็เสด็จบรรทมแบบศรีหัสา ย, ยาต์ก็ตอนตะแคงขวาตั้งประทัยจะลุกขึ้นปรกรบรอสี่ชั่วโมงก็จะลุกขึ้นปครบรอสี่ชั่วโมงก็เสด็จลุกขึ้นจากนั้นก็จะสวดดูสัตว์ตโลกด้วยที่ไปจากสุเพื่อจะเสด็จไปโปรดในตอนรุ่งเช้าก็าแสดงว่าพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายก็นอนแต่เป็นการนอนอย่างมีสติสัพยัญญาสมบูรณ์ในจุดดั้นจึงไม่เป็นเรื่องของจีนนิมิตถะ ไม่ได้เป็นอาการของอุปกิเลสแต่เป็นสภาวะ ต, ตามธรรมชาติในขณะเดียวกันนิวรณข้ออื่นนั้นไม่ปรากฏแก่พระอรหันต์ทั้งหลายว่าจะเป็นการมฉันทะพยาบาทอุตจักขุจัวิจิกิจจาพเพราะนี้เป็นกิเลสล้วนๆเท่าก็ดับไปได้แต่ทีนามิถะ น, นั้นบางระดับก็ไม่ใช่เรื่องของกิเลสแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาแต่คนที่มีการนอนมากผิดปกตินั้น เป็นวิบากกรรมเป็นาธาตุขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นที่สืบเชื่อสายสะสมไว้เป็นจิตสันดานของบุคคลเหล่านั้นในข้อนี้ได้เคยเกิดปัญหาขึ้นในสมัยพุทธกาลพระเจ้าเสด็จแสดงพระปรมเทศนาอยู่ในป่ามีทั้งพระทักรวา่าประชุมกันฟังอยู่แต่มีชาวบ้านสามสี่คนมีอาการผิดปกติตลอดระยะเวลา ต้องกายไปที่สังเกตของพระสงฆ์ทั้งหลายท่านรูปหนึ่งจะนั่งหลับรูปหนึ่งจะนั่งขีดดิ น, นรูปหนึ่งจะงันดูท้องฟ้าดวงดาวต่างๆท่านคนอีกคนหนึ่งก็จะจับกิ่งไม้เขยา่าแทะตรงนั้นเขย่าตรงนี้ผลักตรงนั้นไปนเรื่อยๆเขเรียกว่าแต่ละท่านนั้นไม่มีอาการสมองเสมอเปลี่ยนแปลงไปตาม ความคิดของท่านในขณะนั้นนนั้นก็แสดงว่าจิตใจไม่ได้จดจ่ออยู่ที่ตัณหเมื่อชาบ้านได้กลับไปหมดแล้วภิกษุสงฆ์ที่ท่านสังเกตท่านก็กราบทูลถามกราบทูลเล่าถวายพระพุทธเจ้าจากการสังเกตของท่านอาการเหล่านี้พระพุทธเจ้ากลับแสดงว่าเป็นเรื่องวิบากกรรมพิสัสสมไว้ในจิตสันดานของบุคคลเหล่านั้นสืบเรื่องมาจากครบชาติาต่างๆ คือทาที่นอนหลับอยู่เสมอนั้นชาตก่อนก็เคยเป็นงูมาซึ่งเป็นชาติส์ที่ชอบหลับแล้วก็ฝังยืนในจิตสันดานเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่เพราะงั้นท่านก็เครื่อนหลับไปบ่อยสาที่ชอบขิดดินชาตก่อนก็เคยเกิดเป็นไส้เดือนมาแล้วกินดินอยู่เรื่อยๆก็ไม่อิ่มในการกินดินเพราะนันเกิดมาชาตินี้ก็กินไม่ได้ก็ขีดดินก็ยังดีแต่ท่านที่ก็เย่าต้นไม้ ชาติก่อนก็เคยเกิดเป็นลิงมามันก็ติดนิสัยลิงก็ชอบขยับชอบหลุกลึกก็มาอยู่กับที่ตอนนี้มองดูดวงดาวต้องฟ้าอากาศนั้นชาตก่อนเคยเป็นพราหมณ์ดูดาวนะะักการเต ม, มามันก็ติดอยู่ในสันดานนั่นแหนเพราะอาการทีนามิตะส่วนหนึ่งจึงเป็นเรื่องเกิดสันดานเป็นธาตุแห่งคนที่มีความชอบหลับกายกับ ชาติชาติพันธุ์ของสัตว์ทั้งหลายบางชนิดที่ชอบหลับมากนั่นเองและส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของสุขภาพในร่างกายของท่านมีความบกพร่องมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเบียดเบียนเป็นคนอมโรคเป็นต้นร่างกายที่ไม่พร้อมในลักษณะนี้โอกาสที่จะหลับมันก็ ง, ง่ายที่นันมีถะในกรณีนี้จึงเกิดขึ้นมาจากปัจจัยภายนอก ประการต่อไปก็เป็นเรื่องสภาพแวดล้อมในขณะนั้นๆป็นสังเกตว่าอากาศนั้นมีส่วนเสริมสร้างให้เกิดความง่วงนอนได้ไง่ายเทนอากาศที่ไม่ร้อนจัดไม่ร้อนจัดอ่าร้อนก็ไม่จัดหนาวก็ไม่จั ด, ม, จดมีลมโชยมาอากาศทึมถึ ม, มรืออากาศขมุกขมวัวส่วนปกติแล้วจะเป็นอากาศที่ทึมถึ ม, มคนจะง่วงนอนได้ไง่ายประการต่อไปก็เกิดขึ้นมาจากพวก ที่รับประทานอาหารมากเกินไปอย่างที่เราพบองค์ธรรมนี้อยู่บ่อยๆเพราะจริงแล้วกลุ่มกิเลสมันก็คือรื่อง โ, โรคดหลงธรรมะก็แสดงเรื่องกิเลสประเภทนี้เราก็เจอกิเลสประเภทนี้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในตำราหรือภายในใจของเราเพิ่สัเกตว่าเรื่องของทีนามิธาเรื่องกาวัจฉริเรื่องพยาบาทนั้น หรือแม้แต่ความฟุ้งซ่านความเปลี่ยนแรงสงสัยที่ยังไม่ได้กล่าวส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นมาจากการรับประทานอาหารคือคนเราถ้ารับประทานอาหารมากไปร่างกายจะหนักอาการของชีนมิถะคือหวเงาหาวนอนมันก็จะเกิดขึ้นแล้วเพื่ออาหารย่อยไปแล้วจะเกิดกำลังเรียบแรงมากขึ้น เป็นการกระตุ้นกิเลสประเภทกรมาชันให้เกิดขึ้นภายในใจถึงกว่า น, นี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าศีลระดับพรหมจันทร์แล้วมุ่งสงบความ พ, พอใจในกรมาคุณคือตัดกระแสของกรมาคุณออกไปแต่นั้นเมื่อเริ่มจากศีลอุโบสถหรือศีลแปดที่สมาทานกันพระเจ้าก็เริ่มคุมที่อาหารแล้ว เพต้องการจะป้องกันจิตบุคคลไว้ไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อํานาจของนิวรณ์สองข้อในกรณีที่อิ่มมากเกิดไปทังเราจะเห็นว่าศีลข้อพิกาก็ดีนักเจคา่ะนักเจคีก็ดีมาลา ก, ก็ดีหรืออุจจา ก, ก็ดีนั้นที่จริงแล้วเป็นอุปการะในการปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ตัวบาปอะไรแต่จะเป็นเหตุให้ทําบาปได้เป็นตัวกระตุ้นในทําบาปได้ก็ตัดกระแสของบาป กิดใกล้ๆกับไฟไหม้มาบางก็ไม่เป็นตัวให้เกิดไฟหรอกแต่ว่าเป็นเชื้อให้เกิดไฟได้คือพวกเชื้อทั้งหลายเราก็รีบตัดซะก่อนเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไหม้มาธรรมะบางอย่างจึงเป็นเรียกว่าอุปการะธรรมคือธรรมะที่สนับสนุนการปฏิบัติธรรมของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตรงแต่ว่าเป็นตัวปัจจัยสนับสนุน พอมาถึงนิวรณก็ทรงสอนในแนวของโพชเนมตนัมาตันอยู่ตาก็รู้จักประมาณในการบริโภคปัตตาหารคราวนี้สำหรับชาวบ้านก็ว่าไปแค่สีล8ปดตินโหสดนั่นก็จะสอนในรููกทำธรรมแต่พระนั้นจะเน้นไว้ทางส่วนของวิไนและส่วนของธรรมะประจุดมุ่งหมายของพระที่ทรงตั้งเอาไว้นั้นก็ตั้งไว้ไกลแต่พระเดินทางไม่เคยถึงเท่าไรหรอก ก็สงว่างไว้ไกลแต่เรียกว่ามีประหัตเป็นยอดจึงกําหนดให้มีการบริโภคอาหารพอประมาณคือไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเคยรู้สึ ก, กว่าอย่ารู้สึ ก, กว่าอิ่มแต่อาจจะไปรู้สึกว่าอิ่มตอนที่ดื่มน้ําคือเสร็จอะไรที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารแล้วให้ไปรู้สึกว่าอิ่มตอนโน้นคือไม่จะไปรู้สึกว่าอิ่มตอนรับประทานของข่าวแล้วก็ต่อโดยของหวานแล้วก็ดื่มน้ําก็คงจะไม่ใช่อิ่มแล้ว เมื่อเกินอิมไปร่างกายนั้นแก่ไม่มีตันหาแต่จิตใจคนมีตันหาแต่พระเจ้าจึงสอนให้บริโภคโดยไม่มีตันห า, นาเป็นลักษณะเมือกัลํามันหยดเครื่องเกิเครื่องมาเดินไปได้การบริโภคอาหารที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติความดีหรือให้เกิดชีวิตที่ประเสริฐก็ทรงเน้นในลักษณะนั้น เกิจาประมาณในการบริโภคปัตจาหารแ้าน้อยก็จะมีปัญหาอีกคือนิวรณ์อีกสองข้อก็จะเกิดขึ้นในช่วงแรกก็จะเกิดความหงุดหงิดเพราะความหิวเจ็ดแทงและหงุดหงิดมันก็คิดมากก็กลายเป็นความพุ่งสัน่นก็เรียกวิตจักกุบจกักแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยโมโหหิวเนี่ยจะกลายเป็นกิเลสประเภทพยาบาท ดังนานพรพุทธเจ้าก็หาจุดกลางเพราะว่าถ้ามากเกินไปก็นิวรเกิดขึ้นเพิ่มสองข้อสข้อทันทีนั่นไม่ถังถ้าน้อยเกินไปนิวรเกิดขึ้นอีกสองข้อคืออุตจากกุกจั ก, กับพยาบาทแต่ด้อยู่ตรงกลางนั้นจะเรียกว่าอาหารสรรปายะคือจะได้อาหารที่เป็นการเกื้อกูลต่อการปฏริบัติ คนนี้ท่านถือว่าเป็นสําคัญเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะชีวิตนั้นจะอยู่ได้ก็โดยอาหารเราขาดอย่งอื่ได้แต่เราขาดอาหารไม่ได้แม้ในระดับของการปฏิบัติธรรมะที่เป็นสมรตาก ร, รมทาน ม, มีปัศนาก ร, รมทานพระบางรูปมีวาสนาบารมีพร้อมทุกอย่างแต่ก็มีปัญหาเรื่องอาหารถ้าได้อาหารน้อยเกินไป รับประทานอาหารเสร็จแล้วจเจริญสมาธิบำเพ็ญเพียรเดินจงกรมร่างกายไม่แข็งแรงพอพอนั่งสมาธิเมื่อเกิดความหิวหิวเสียแทงท่างก็งุดหงิดอังก็ฟุ้งซ่านทำยังไงยังไงก็จิตใจก็ไม่สงบในการาวหนึ่งท่านรู้ว่ามีอุบาสิกาท่านหนึ่งเป็นพระนาคามีมีเจโตปริยานคือรู้จิตบุคคลอื่นซึ่งเป็นระดับอภญญา เพใครคิดอย่างไรใครมีความรู้สึกอย่างไรใครมีปัญหาอย่างไรนั้นท่านจะรู้เมื่อใช้หยาดข้อ น, นี้พิสุก็ไปในชั้นแรกในต้องการจะทดลองเฉยๆพอรู้จริงหรือไม่ปรากฏว่าท่านคิดอย่างไรนั้นอุบาสิกาตอบสนองให้ทั้งหมดต้องการที่พักต้องการน้ําดื่มต้องการน้ำปานะอะไรต่างๆต้องการอาบน้ําต้องการยาบาสิกาก็จัดส่งคนมาถวายให้ทั้ง ในตอนแรกพระรูปนั้นต้องก็กลัวเพราะว่าความคิดเนี่ยถ้าคนรู้ความคิดนี่ควบกันยากแล้คนเรามันก็คิดได้สารพัดคิดคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีเพราะระดับของศีลท่านจึงไม่ปรับอวบัติที่ตัวคิดหรือว่าขาดศีลเพราะการคิดเพราะถ้าคิดแล้วผิดศีลก็คงจะยุ่งมากดังนั้นท่านก็กลัวว่าอุบาติกาจะรู้ว่าบางอย่างท่านคิดไม่เหมาะไม่ควร เลยต้องหนีออกจากสถานที่นั้นมากราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่ากลัวอุบาสิกาอุบาสิกาท่านรู้ทุกอย่างพระเจ้ารับสั่งให้ไปที่นั่นพระองค์รู้ว่าอุบาสิกาคนเนี้ยจะช่วยพระรูปนี้ให้บรรลุมรรคผลได้เราก็เคยอุปการะสนับสนุนกันมาในภกชาติก่อนๆเลยขอให้พระเหล่านั้นรูปนั้นสัมรวมความคิดคืออยา่าฟุ้งซ่าน ในตอนเริ่มต้นก็คุมแค่ตัวเดียวคืออยาาฟุง้งซ่านอย่าคิดไปในภายนอกแล้วท่านัาเป็นเพียรทั้งก็ประรบสิ่งที่มีปัญหาคืออาหารที่ท่านคนก็จะขาดแคลนแล้วก็เดือดร้อนเพราะอาหารบาสิกาก็จัดอาหารที่คกือกูลต่อการบำเป็นเพียรของท่านแล้วคกือกูลต่ะสุขภาพของท่านท่านก็ได้อาหารและสัปปายะคือสบายเพราะอาหารจิตใจก็ไม่วกแวก ไปทั้งถีนามิตะก็ไม่ไปทั้งอุตจักกุกุจักก็ไม่ไปกรรมิชา์ก็ไม่ไปจิตก็ดิ่งเข้าหาความสมมงบมันเปนเพียนเจริญวิปัสนาไม่นานก็บรรลุมรรผลเพราะงอนี้ท่านสาธุชนตั้งหลายเห็นว่านั้นคือธรรมะปฏิบัติที่อยู่ในตัวคนแต่ต้องแก้ตัวกิเลสได้ได้เพราะตรงนี้ยังมีอยู่มันไปไม่ได้ใล้ๆครับเราจะ ถอยเรือไปในที่ใดแด่ว่าเชือกยังเชื่อมโยงเรื อ, อไว้เราก็ไปไม่ได้จิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นเราต้องการจะดึงจิตเราเข้าหาความสงบเช่นว่าให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่ด้านหนึ่งของจิตนั้นไปดึงไว้กับที่ขียวไปดึงวดไงว้กับที่งุดยิตไปดึงไว้กับที่ง่วงนอนก็แสดงว่าเกิดชักเยอ้กัน ไอ้ตัวความส ง, งบไม่มีปัจจัยสนับสนุนมากเพราะกายมันก็ถูกชินมิทะครอบงำไว้คือความง่วงนอนง่งวงนอนครอบงำไปกายก็ไม่พร้อมจิตก็ไม่พร้อมทันที่จะแกว่งไปสู่สมาธิมันก็แกว่งมากัดทีหลับจึงมีเป็นนั้นมากที่คนซึ่งจเจริญสมาธิแล้วก็หลับแต่ก่อนที่จะเจริญสมาธิจะมีการฟังธรรม การศึกษาธรรมะการอ่านธรรมะมาโดยลำดับโดยเน้นในเรื่องอะไรอย่างระดับของการมฐานเราจะเน้นที่ระดับของการมาฐานในส่วนของเขตในส่วนของอาการในส่วนของผล ท, ที่ต่อเนื่องจะจำพวกนิมิตจำพวกปีติจะพวกวัสีอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติกรรมฐานที่จริงพวกนี้เราเรียนล่วงหน้าคล้ายๆก็เรียนแผนที่ เรายังไปไม่ถึงจุดนั้นเรากเตะใจจะข่อยคว้าใจจะปรารถนาในขณะเดียวกันนิวรมมันก็เกิดครอบงำท่านก็หลับหลับแล้วอาศัยจิตที่มันปรุงจิตที่ข่อยคว้านั่นเองก็ปรุงออกมาเป็นภาพในมิตรเป็นความฝันในลักษณะต่างๆทำให้ท่านหลงผิดเข้าใจผิดได้ว่าท่านบรรลุหรือท่านแยกไม่ออกระหว่างสมาธิกับหลับ ไอ้ฝันในความหลับกับเห็นในสมาธิที่จริงมันคนละเรื่องกันเพียงแต่ว่าอาการตอนน้อมเข้าไปสู่นั้นจะคล้ายๆกันพึงเราสังเกตว่าก่อนที่จะหลับนั้นจิตเริ่มตัดอารมณ์ภายนอกมาโดยลำดับในการหลับก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเรื่อยๆในสุดเราก็หลับแต่หลับไปแล้วที่จริงถ้าไม่ฝันมันก็ไม่รู้อะไร พอได้เกิดความรู้ในขณะหลับบรกดาเป็นความฝันคือไม่ใช่ความจริงทีนี้ท่านก็นึกว่าท่านหยุดสมาธิความฝันเหล่านั้นท่านจึงมองเป็นรูปของนิมิตหรือของผลต่างๆก็เป็นการปรุงแต่งส่วหลงทางอยู่เป็นนั้นมากพระเจ้าเองทรงสนักในเรื่องนี้มากเพราะันจึงกําหนดเอาไว้ว่า ในการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาของพระนั้นจะต้องอยู่กับอาจารย์อุปชาห้าปีเพื่อฝึกปรึก ป, ปืออบรมแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวส่วนเหตุส่วนผลต่างๆให้ท่านเกิดความเข้าใจแล้วก็ปล่อยไปให้เจริญกรรมาฐานแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปในรูปของการดูแลกันแล้วกันหรือไม่ไปคนเดียวพอถ้าเกิดเป็นปนัญหาก็ได้ช่วยเหลือกันโดยเฉพาปะปัญหาในด้านจิตใจ ที่เกิดขึ้นจากการปรุงคิดหรือคิดปรุงหรือสร้างภาพมโนภาพหลอนขึ้นมาบังกรั้างคราวแม้เราจะไม่หลับนี่แต่ว่าจิตอาศัยสัญญาคือความทรงจำในอดีตก็ดึงเรื่องเหล่านั้นมาปรุงมาเพิ่ฝันไปด้วยประการต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างไอ้ไม่ดีนั้นไม่ค่อยมีปัญหาหรอกคือไม่ค่อยลงแต่ส่วนดีจะมีปัญหาคือท่านจะลง แต่จะเกิดความเข้าใจผิดว่านั่นคือเป็นผลของการปฏิบัติธรรมบางทีก็หยุดในตรงนั้นไม่ปฏิบัติต่ อ, อไปอีกแล้วปัญหารเรานี่มก็เกิดขึ้นจนกลายเป็นทิฏฐิในลักษณะต่างๆขึ้นมาท่านเหล่านั้นจะแสดงจากประสบการณ์ตรงของท่านบ้างจากการศึกษาเรียนมาบ้างจากขาดเดาเองบ้างออกมาในรูปของความเห็นที่แปลกแยกกันออกไป พ, พื้นฐานการรับรู้สิ่งเหล่า น, นั้นต่างระดับกันความรู้ที่ถูกต้องจริงๆจึ ง, จงเป็นความรู้ที่เกิดสัพพัญญุตยานหรือว่ามรรคยานหมายถึงความรู้ของพระริเจา้าระดับพระริเจ้าจริงๆแต่ภาษามญชนถ้าเกิดถ้ารู้อะไรขึ้นมาที่ไม่ยุติโดยหลัพกพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ก็หมายความว่าเขาสับสนแล้วผิดแล้วก็ตวแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจตั้งความสงบสืบต่อไป